พระธรรมเทศนาแผ่นที man, command, ่68ดลำดับที่19โดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่25มกราคม2558มีชื่อเรื่องว่าอยู่ที่ใดก็ไม่ลืมพระคุณ วันนี้อากาศหนาวลงอีกนะศรัทธาญาติโยมแต่ไม่มากเมื่อวานรู้สึกวันก่อนอุ่นขึ้นเมื่อวานนี่ก็ทรงตัวแต่วันนี้รู้สึกว่าจะลดลงหนาวลดลงอีกขยับขึ้นขยับลงอยู่ช่วงนี้อากาศไม่ปกติความร้อนกับความหนาวทำให้คนเป็นหวัด ได้ง่ายๆเหมือนกันนะพวกเราระมัดระวังเวลาหลับนอนพราะเป็นวัดได้ง่ายเป็นมันเป็นเร่งง่ายแต่มันหายยากเสียเ ว, เวลาอีกต่างหากบางคนก็โอ้กว่าจะหายได้เป็นวัดไม่เหมือนหวัดสมัยก่อนวัดทุกวันมีมีเชื้อตอนเชื้ออะไรต่อมเชื้ออะไ ร, ออะ ไ, รไม่ รู้ว่าประเทศไหนตวประเทศไหนเราไปเอาไปส่งให้เขาก็มีเขาเอามาส่งให้เราก็มี เ, เชื้อไวรัสผลที่สุดือเลยใครเป็นเข้าไปแล้วหายยากหายนานกว่าจะหายได้แต่ก่อนพูดคนแพทย์หมอเขาพูดได้ว่ า, เ, าเป็นวัดกินยาเจ็ดวันก็หาย ไม่กินยาเจ็ดวันก็หายว่าหมดเชื้อไวรัสแต่ทุกวันนี้ไม่เป็นอย่างนั้นเป็นเดือนก็ยังไม่หาย <c oughs> ถ้าในใครเป็นหวัดเป็นไอแล้วเพราะนั้นต้องระมัดระวังไว้ดีกว่ามีช่องทางมีโอกาสที่จะไม่เป็นแต่มันก็อย่างว่าเหมือนกันนะแต่โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุเป็นวัตรเนี่ยหลวงพ่อว่าให้ใคล้ายกบนั่นแหละโค้งจุดท้ายของที่เห็นเห็นมาผู้สูงอายุป่วยหนักเข้าไปนะั่นตัววัตรเนี่ยติดเชื้อไวรัสวัตร เ, เข้าไปนะโดยมากจะรอดยากนะ <c oughs> วันนี้เป็นวันที่ยี่สิบห้า ม ก, กราคมพุทธศักราช 2,558 วันนี้เป็นวันอาทิตย์สุดท้ายของเดือนม ก, กราวันนี้ที่สวนแสงธรรมก็คงจะมีการทาบุญอาทิตย์สุดท้ายที่พวกเราคณนะสงฆ์ได้นัดกันทาบุญ พวกเราท่านทั้งหลายคงจะได้ยินคำพูดของหลวงพ่อนะหลวงพ่อพูดขึ้นมาทีไรก็บอกให้พวกเราดำเนินตามแนวแถวพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าตามแนวแถวของพ่อแม่ครูบาอาจารย์พาดำเนินถ้าว่าพวกเราเดินตามแนวแถว พ่อแม่ครูบาอาจารย์พาดําเนินมาแล้วไม่ผิดที่ผิดทางจะทางด้านจิตใจหรือจะทางท่านด้านความประพฤติก็ไปนในทางที่ถูกต้องแต่ถ้าว่าเราเดินออกนอกลู่นอกทางนั่นแหละความหายณนะคือความไม่ถูกต้องก็จะตามพวกเรามาเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราคณะทศไทาญาติโยมลูกหลาน ทุกคนให้ศึกษาในหลักธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าเดินตามบัณฑิตนักปรารถ์คาว่านักบัณฑิตคำนี้ก็คืออะไรบัณฑิตคือศินห้านักปราชถ์คือสินหานักบัณฑิตนักปรารถ์ของพุทธศาสนาคือศินห้าถ้าพวกเราทุกคนมองดูศินห้าของพระพุทธเจ้าแล้วอย่าให้มันขาดจนเกินไป หรือว่าถ้าได้รักษาศีลห้าได้ก็จะดีถ้าหากว่ามันขาดศีลมากๆก็ทำให้ตัวเองนั่นนะเดือดร้อนเนี่ยเป็นอันดับแรกศีลห้าเป็นศีลคุ้มครองโลกเป็นศีลที่พระพุทธเจ้าที่ให้ท่านบัญญัติไว้แล้วท่านว่าปิดอบายยัภูมิถ้าเป็นมนุษย์ก็ไม่ไม่ติดคกไม่ติดตาราง คนที่มีศีลห้าถึงติดคกุกติดตารางกัแบบว่าเขาหาโทษกล่าวหาใส่แต่ตัวเองไม่ได้ทําแต่มันก็ติดคุกได้แต่ถึงยังไงก็ตามแต่ความบริสุทธิ์นั่นก็คือความบริสุทธิ์อย่างเก่าแต่ท้าว่าถ้ามันมีการถือโทษนั่นก็แสดงว่าเราคงทํากรรมไว้ในอดีตคงจะหาเรื่องหาราวใส่เขา เขาก็เลยหาเรื่องราวใส่ตัวเองตัวเองก็เลยติดคุกติดตารางเพราะเป็นกรรมเก่าอย่างนั้นก็มีเหมือนกันนะแต่กรรมใหม่ก็มีกรรมเก่าก็มีกรรมใหม่กรรมเก่า เ, เรามองไม่เห็นเรื่องกรรมเก่าแต่ว่ากรรมใหม่เนี่เราอาจจะมองเห็นเพราะเขาอิจฉาเรา เ, เราเขาก็เลยหาเรื่องใส่อย่างนี้ก็มีแต่ถึงยังไงก็ตามถ้าเราไม่ได้ทำ เรามีศีลห้าอยู่แล้วนี่ยถึงเราจะอยู่ในคุกในตารางอยู่ในที่ใดก็าตามเราก็ว่าเราบริสุทธิ์เพราะเราไม่ได้ทำในที่เขาหาเรื่องราวใส่นั้นๆ น, น, นี่แหละอันนี้ว่าศีลคุ้มครองโลกคุ้มคองในตัวของเราเพราะนั้นศีลและธรรมของพระพุทธเจ้าเนี่ยก็ให้พวกเราท่านทั้งหลายลูกหลานทั้งหลายให้ยึดแนวแถว ของพ่อแม่ครูบาอาจารย์พาดำเนินถ้าพวกเราเดินตามแนวแถวครูบาอาจารย์และมีแต่ความสงบร่มเย็นเป็นสุขท่านจึงในครั้งพุทธการในครั้งพระพุทธเจ้าท่านจึงปารบถึงพระสารีบุตรพระสารีบุตรท่านเป็นผู้มีปัญญาเลิศกว่าภิกษุทั้งหลายในครั้งพุทธการในครั้งพระพุทธเจ้าได้ว ได้รับเอตตะคะจากพระพุทธเจ้าเป็นอระสาวกข้างข้างขวาแปลว่าหนึ่งจากพระพุทธเจ้าแล้วก็คือสองก็คือภาษาริบุตรเป็นอครสาวกแต่ภาษาริบุตรเถระเป็นผู้นอบน้อมเป็นผู้รู้จักพระคุณรู้จักพระคุณของคู่คนของผู้มีอุปกรคุณ ผู้มีพระคุณกับตนเป็นเลิศนะคนมีปัญญานะถ้าคนมีปัญญาแล้วจะระลึกถึงพระคุณของคนได้มากอันไหนมีคุณอันไหนมีโทษนะท่านสาัฤบทเนี่ยท่านเป็นอัครสาวกแต่ท่านระลึกถึงผู้มีอุปกรณคุณของท่านสมัยหนึ่งพระสงฆ์ทั้งหลายเหตุพระสรัฤบทไปนักสถานที่ใด ก็นอบน้อมประครองอัญเชลีอัญชลีคือยกมือไหว้ยกมือไหว้ท่านก็ไม่ได้พูดให้ใครฟังท่านก็ยกมือไหว้ทางทิศนั้นเวลานอนก็ท่านก็นอนหันศีรษะไปทางทิศที่ท่านประครองอัญเชลีคือยกมือไหว้นันแต่ความนอบน้อมพระสงฆ์ทางหลายก็เห็นว่าภาษาลิบุตรเป็นมิจฉาทิฏฐิเดี๋ยวไหว้ทิศ ไหว้ทิศทั้งหกไม่รู้ว่าทิศไหนตัวทิศไหนสารวณวุ่นวายดูดิสังเกตดูนะภาษาเลบุตรบางทีก็ไหว้ไปทางทิศตะวันตกบางทีก็ไหว้ไปทิศทะวันออกก็วันไหว้ครั้นี้ก็คืว่ายืนแล้วประนมมือเสร็จแล้วก็ท่านนอนกลางคืนกันหันศีรษะบางทีหันศีรษะมาทางบันไดาทางประตูเข้าก็มี พระสงฆ์ทั้งหลายก็บอกว่าเนี่ยสารีบุตรถึงเป็นอัครสาวกเป็นผู้มีปัญญาก็กจริงอยู่แต่ดูๆได้เป็นมิจฉาทิฐิมีความเห็นยังไงก็ไม่รู้นในใจของท่านสารีบุตร เ, เนี่ยก็คงจะนี่แหละพระปุตุชนจะนั้นก็ไปฟ้องพระพุทธเจ้านพะระพุทธเจ้ากับท่านสารีบุตรเป็นมิจฉาทิฏฐินะบางทีปน ม, มือ อัญเชลีกราบไหว้ไปทางทิศแต่ละทิศบางทีก็ น, นอนก็นหันศีรษะไปทางนั้นอีกอถ้าไม่ว่ามิตรสาธิฐิแล้วจะไ่ายังไงพระพุทธเจ้าขานะท่านสารีบุตรเป็นอั克拉สวกเป็นมิตรสาธิติพระเจ้าขานพระพุทธองค์บอกเรียกสารีบุตรมาเอาบอกสารีบุตรมาหาเราภาษาสารีบุตรก็มาเข้ามากราบพระพุทธเจ้า ท่านว่าสาลีบุตรเธอทำอัญชลีประคองศีศรษะปนมมือไหว้ทิศ ท, ทั้งหกเวลานอนกัหันศีรษะไปหลายหลายทิศ ท, ทางแต่ละวันไม่เหมือนกันอย่างนั้นใช่ไหมพระสงเขาว่าท่านเป็นมิจฉาทิฏฐิคือมีความเห็นผิดภาษาลิบุตรทั้งที่ท่านจะตอบ แก้ไขท่านไม่ไม่พูดน ะ, ระพราะทุกภาษารี่บูดว่านอกจากพระพุทธองค์เท่านั้นแหละจะรู้ว่าเรื่องที่ข่าพระองค์กระทําไปนั้นมีความหมายอย่างไรพระเจ้าขา่าท่านให้ท่านย้อนไปถึงพระพุทธเจ้านะนอกจากพระพุทธเจ้าแล้วไม่มีใครที่จะรู้เรื่องที่ท่านกระทําไปนั้นด้วยมีความจุด มีจุดประสงค์อะไรพระพุทธองค์บอกพระพุทธองค์ก็ทราบท่านก็ประกาศดูก่อนสงทั้งหลายที่ภาษาริบุตรอัครส า, าวกของเราประครองอัญชลีนอบน้อมและกราบไหว้หรือหันศีรษะไปในในทางทิดนั้นเพราะว่าภาษาริบุตรอัครส า, าวกของเรา ได้ฟังธรรมท่านอัชเชิคือปัญจวคีทั้งห้าโกฏธั ญ, ญะวั ป, ปะพัทธิยะมหานามะอัชชชเนี่ยนะองค์ที่อัจชชิเนี่ยหละที่ให้ธรรมะกับท่านสาริบุตรสาริบุตรท่านได้สาเร็จพระโสดาบันได้ทำเบื้องเบื้องต้นเบื้องแรกคือว่าเป็นกุญกุญแจดอกแรกที่รู้จักอัดรู้จักธรรมได้ คือท่านอัจยชิเป็นผู้ชี้นำเป็นูเป็นผู้บอกทางได้สำเร็จพระโสดาบันเพราะนั้นท่านจึงให้ความเคารพนอบน้อมท่านอัจารยชิท่านอาจชิอยู่ทีทิศใดในวันนี้ทราบว่าท่านอยู่ทางทิศตะวันออกภาษาริบุตรท่ประคองอัญเชลีปนมมือไปทางทิศตะวันออกจากนั้นก็หันศีรษะไปทางทิศตะวันออก เวลานอนประคองเคารพท่านอาจชิแต่วันนี้ท่านอาจาชิอยู่ทางทิศเหนือภาษารีบุตรท่านก็ประคองอัญเชลียกมือไหว้ไปทางทิศเหนือเวลานอนก็หันศีรษะไปทางทิศเหนืออันนี้คือท่านเคารพอาจารย์ของท่านอย่างสุดซึง้งเพราะท่านให้ธรรมะท่านรู้แจ้งเห็นจริงในธรรมะจากท่าน อัจฉริเพราะนั้นภาษาริบุตรท่านจึงนอบน้อมเคารพคารวะไม่ใช่ท่านสริบุตรเป็นมิจฉาทิฐิเอไม่ใช่ท่านเห็นผิดท่านไม่ใช่ท่านนอบน้อมทิฏฐ์ต่างๆทิฐ ท, ทั้งหกทิฐทั้งแปดทิฐทั้งสี่แต่ท่านนอบน้อมผู้มีพระคุณผู้ทาคุณให้กับท่านสงฆ์ทั้งหลายรับทราบนี่หละ อันนี้คือพระพุทธองค์ท่านก็ตรัสเอาไว้ว่าดูก่อนสงฆ์ทั้งหลายพระสงฆ์ผู้ใดที่ท่านได้อัดได้ทําทําคําสอนของเรา ก, กับอาจารย์ผู้ใดท่านจะเคารพในอาจารย์ท่านนั้นอันนี้คือเป็นเป็นผู้มีอุปคระคูนเป็นผู้มีพระคุณสําหรับพวกตัว ตัวท่านองค์นั้นยกตัวอย่างอย่างสิริบุตรเป็นตน้นแต่พระพุทธองค์ท่านก็ไม่ได้ว่านะท่านไม่ได้ว่าเนะี่ยเรารรทำที่เราประกาศไปเนี่ยนะเราให้เคารพเราองค์เดียวนะท่านก็ไม่ได้ว่านะท่านก็ให้เคารพที่ว่าผู้ใดสอนทาพระพุทธองค์สอนก็จริงอยู่เป็นธรรมคาสอนของพระพุทธเจา้าแต่ว่าพระสงฆ์ที่นําพระธรรมคาสอน ของพระพุทธเจ้าเนี่ยมาแนะนําบอกกล่าวอย่างพระอัจาชิเนี่ยท่านบอกกล่าวให้ภาษาลิบุตรภาษาลิบุตรก็ได้รู้ทำรรจากพระอัจาชิพอได้รู้ทำรรเสร็จแล้วก็เอออาจารย์ของเราอยู่ไหนครับท่านอาจารย์อจัจารย์ชี้นูน่นท่านประท่าน อ, อ, อยู่ที่วัดป่าเวลวุวัน จากนั้นภาษาลิบุตรก็เข้าไปกราบพระพุทธเจ้าที่วัดป่าเวลุวันจากนั้นก็ตามพระพุทธองค์ไปฟังพระธรรมเทศนาติดตามพระองค์ไปจากนั้นก็ได้ฟังพระพุทธองค์แสดงธรรมแสดงธรรมได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์ภาษาลิบุตรบวชมาได้15ห้าวันนะแต่คนก็ถามเหมือนกันว่าทำไมภาษาริบุตร เป็นผู้มีปัญญาเลือดขนาดนั้นจึงได้สำเร็จเป็นพระหรหันช้าพระโมคคลาเนี่ยเจ็ดวันพระสารีบุตรว่ารู้สึกว่าสิบห้าวันทราพ่อจาไม่ผิดนะทำไมพระพระองค์บอกว่าท่านมีพระสารีบุตรเป็นผู้มีปัญญามากก่อนที่จะได้บรรลุธรรมเนี่ยท่านต้องมีชั้นมีเชิงมีเล่มีเลีมเลย ม, มีหาแนวทาง เหมือนกับพระเจ้าแผ่นดินจะเสด็จพระเจ้าแผ่นดินจะเสด็จต้องเตรียมพักเตรียมพล เ, เตรียมพร้อมหมดทุกอย่างจึงจะเสด็จมันไม่เหมือนคนที่ไม่มีอะไรอย่างพวกเราท่านทั้งหลา ย, ยถ้าจะไปที่ไหนเราก็ไปโดยดุยไปเลยโดยที่ไม่ได้ไปถึงจุดหมายปลายทางเหมือนกันถ้าเราจะไปถึงหมู่บ้านนายูงจะได้เราก็เดินไปบ้านนายูก็ถึง แต่ว่าผู้ที่มีบุญหนักสักยย์ใหญ่มีนั้นแ่ะเวลาก่อนที่จะไปก็เตรียมพักเตรียมพลต้องเตรียมถนนหนทางไว้ซะก่อนจึงจะไปนี้ก็เหมือนกันท่านสารีบุตรที่ท่านได้สําเร็จช้าก็พอว่าท่านจะต้อง เ, อเตรียมพร้อมด้วยบารมีของท่านะถึงท่านได้จึงได้ได้สำเร็จแต่ท่านได้สําเร็จก็ได้สําเร็จในง่ายๆเหมือนกันนะเออ พระพุทธองค์เจเดตประทับอยู่ที่ถ้ำสุ ก, กรขาตาสุ ก, กรขาตาวันนั้นภาษาริบุตรที่บวชมาได้เจ็ดได้สองอาทิตย์ได้เข้ามาถวายงานพัดถวายงานพัดก็คือมาเฝ้าพระพุทธเจ้าอยู่ทางพระอัจฉางคือเบื้องหลังไกลๆายว่าพัดพระพุทธเจ้า เวลาแขกคนมาถามปัญหาหรือว่าพระพุทธองค์จะแสดงธรรมภาษาริบุตรก็อยู่เบื้องหลังถวายงานพัดคือพัดก็คงจะใช้พัดลมพัดเป็นบางครั้งทีขณขะที่เป็นหลานเป็นหลานของภาษาริบุตรเป็นหลานเป็นหลานภาษาลิบุตรคล้ายๆว่า พอทราบข่าวว่าภาษาลิบุตรหลวงอาของตัวเองเนี่ยพระเจ้าอาหรือว่าคุณอาของตนเองเนี่ยเป็นผู้เลิศประเสริฐที่สุดเป็นผู้มีปัญญายิ่งกว่าใครที่สุดในกรุงราชสัก์นะเป็นลูกเศรษฐีอีกต่างหากใครๆครเขาล่ำเลือาสาริบุตรท่านสาริบุตรเนี่ยเป็นผู้มีปัญญาเลิศแต่ทําไมมาสยบให้กับสมณะสากยบุตร กับพระพุทธเจ้าอทําไมมาสยบให้กับศาสนาของพระพุทธเจ้าด้วยโคตมะเนี่ยไม่น่าอพระโคตมะเนี่ยใช่เป็นพระเจ้าเป็นดินมาจากกรุงกบิลพัทโก็จริงอยู่แต่เพิ่งลิเริ่มศาสนาเท่านั้นเองทําไหมลูกอาของเราญาติของเราลงุงลุงของเราเนี่ย ทำไมจึงไปสยบกับสมณะผู้ศาสนาตั้งศาสนาขึ้นมาใหม่ๆทำไมจึงสยบได้ง่ายๆอย่างนี้เขาหารู้ไหมว่าท่านสารีบุตรได้ไปฟังธรรมเทศนาจากท่านอัจาิชิแล้วได้สำเร็จเป็นพะสดูดาบันหลานชายไม่รู้แต่มีทิธฐิเท่านั้นเองแต่ทีขณาขาเนี่ก็เป็นนักบวชอีกศาสนาหนึ่ง คล้ายๆว่าเป็นลือสีและเป็นเพราะว่า an, อินเดียสมัยนั้นมันมันมีหลายศาสนามากแต่ว่าความหมายคือว่าทีาคณขะแปลว่าเป็นผู้ไว้เล็บยาวคือเล็บออกมาแนละ้วไม่ตัดนะไม่ตัดเล็บนะคงจะยาวมันจะ ย, ยาวยังไงพปให้มันยาวไปก็เป็นศาสนาหนึ่งเหมือนกันนะว่าทีาคณขะเป็นผู้ไว้เล็บยาวเป็นศาสนาหนึ่ง อันนี้ก็เข้ามากราบพระพุทธเจ้าพอมาเห็นภาษาลิบุตร ท, ที่เป็นหลวงลุงนั่งอยู่เบื้องหลังพระพุทธเจ้าถวายงานพัดเนีใคร้ายๆว่าความไม่พอใจมีแหะเหมือนกันเกิดขึ้นมาในในหัวใจของทีฆนขะที่เป็นหลานเนี่ยทำไหมหลวงลุงของเราว่าเหยียบแผ่นดินกระเดื่องคนหนึ่งมีปัญญาทําไหมจึงมาสยบให้กับสมณะ คล้องผ้ากาสาวะศีสะโล้นอย่างนี้ทำไมในใจนะ่คิด อ, อยู่ในใจไม่ลงวันนั้นพระพุทธเจ้าท่านก็แสดงธรรมเห็นมาทีขณข า, าที่เป็นหลานภาษาลิบุตรมาท่านก็แสดงธรรมแนวระยะสัตว์สีเรื่องทุกเรื่องสมุทัยนิโรธมักไตรลักษณิจังทุกขังอนัตตา ตามแนวแถวของพุท ธ, ธะที่ท่านแสดงโปรดแต่นายทีคณะคนนั้นอพอพระองค์พูดจบลงไปเขาก็พงพ้างขึ้นมาด้วยความคิดของเขาดูก่อนท่านสมณะโคดมพุทธเจา้าในคำพูดของท่านข้าพเจ้าไม่พอใจทั้งหมดที่ท่านได้ได้ไดไดพูดได้แสดงมา ข้าพเจ้าไม่พอใจในคำพูดของท่านทั้งหมดที่ท่านแสดงมาเขาพ้งออกมาพระพุทธองค์บอกว่าดูก่อนทีขณานักขเธอควรไม่พอใจในความคิดเห็นอันนั้นของเธออีกด้วย <c oughs> พระพุทธองค์ทั้งที่จะโกรธท่านไม่โกรธนะท่านบอกทีขณ า, า, านักขับเธอควรทำความเห็น คนควรทําความไม่พอใจในความคิดเห็นอันนั้นของเธออีกด้วยไม่ใช่ว่าข้าพระเจ้าไม่พอใจในเรื่องที่ท่านแสดงมาพุทธทีส่สมณะโคดมแสดงมาทั้งหมดข้าพรเจ้าไม่พอใจเพราะเห็นหลวงลุงตัวเองอยู่เบื้องหลังพระพุทธเจ้านะี่ไม่พอใจอยู่แล้วยพูดออกมาเท่าไหร่ก็ไม่พอใจเพราะไม่อยากไม่อยากเข้าใจ เออแต่พระพุทธเจ้าท่านสำทับอีกวาเธอควรไม่พอใจในความคิดเห็นอันนั้นของเธออีกด้วยพอภาษาลิบุตรที่อยู่เบื้องหลังนะเออท่านพุททีทาคณนะน่ะภาษาลิบุตรที่อยู่ในเบื้องหลังถวายงานพัดได้สำเร็จเป็นพระหรหันธ์นะนัะ่นนะท่านพระพุทธเจ้าต่อยไปข้างหน้า พระพุทธภาษาริบุตรที่อยู่เบื้องหลังได้สําเร็จเป็นพระาราหันแต่ท่านก็ไม่ได้กล่าวไว้ว่าทีขณิขา น, นั้นเขาได้สําเร็จขั้นไหนในท่านก็ไม่ได้บอกไม่ได้กล่าวเอาไว้นะแต่ว่าสาริบุตรได้สําเร็จเป็นพระาราหันในช่วงที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้อย่างนั้นนี่แหละอันนี้ก็คือความเป็นมาของพุทธศาสนาความเป็นมาของพุทธะนะ คือสรุปแล้วก็คือทำมะทำคําสอนเนี่ยอยู่ที่ใจตัดรู้เนี่ยเือบรรลุธรรม เ, เพียงแต่ว่ารู้แจ้งเห็นจริงปล่อยวางที่ใจเท่านั้นอันนั้นของเธออีกด้วยอันนั้นก็คือดิ่งเข้าไปหาตัวผู้รู้คือใจเอแค่ว่าใจของเรา ม, มันรับเรื่องราวต่างๆพอรับเรื่องราวต่างๆแล้วปล่อยวางที่ใจไม่ยึดมั่นถือมั่นที่ใจนั่นแหละก็ท่านก็ได้สําเร็จเป็นพระอรหรันต์ เพราะบา ร, รมีของท่านแก่กล้าแล้วนะนี่แหละที่หลวงพ่อได้พูดเบื้องต้นก็คือตรงที่ว่าท่านอาจิชิเนี่ยเป็นผู้มีความกตัญญูกตวเวทีตาได้ฟังธรรมของท่านอาจิชิถึงท่านอาจิชิไปอยู่ณสถานที่ใดท่านสารีบุตรก็ยังประครองอัญเชลีอนอบน้อมเคารบกับวายถึงท่านจะได้สําเร็จเป็นพระอรหนะันต์แล้วเนปะ็นนักพรสาวกแล้วะ ท่านไปอยู่นสถานที่ใดท่านยังประคองอันชเชลีเขารบนบน้อมอไปในทางทิศนั้นจนพระสงฆ์ทั้งหลายเขาบอกว่าสารีบุตรท่านสารีบุตรอัครสาวกของพระพุทธเจ้าเป็นมิจฉาทิฐิมีความเห็นผิดใช่แล้วบางทีจะประนมมือประคองอันเชลีไปทางไหนยกมือไหว้ทางนี้นก็ยกมือเหมือนกับเดลถีเขายกมือไหว้ ยกมือไหว้ทิศทั้งหกแล้วนั่นทิศ ต, ต่างๆฮะบางทีบางคนเขาไหว้พระอาทิตย์พระอาทิตย์ขึ้นมาก็ยกมือไหว้จนพระอาทิตย์ตกดินอย่างนั้นก็มีเพรามันมีหลายศาสนาเพราะฉะนั้นพระสงฆ์ทั้งหลายผู้ไม่รู้เรื่องเขาก็ท้วงติ่งกลับฟ้องพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเรียกสารีบุตรเข้ามาท่า น, น, นสารีบุตรเธอทําอย่าง ท, ท, ที่ท พระสงฆ์เขาพูดท่านนอบน้อมกราบไหว้ไหว้ทิฏฐั้งหกอย่างที่เขาพูดจริงไหมตัวเหตุอันใดภาษาลิบุูธทั้งที่จะตอบแก่ภาษาลิบูธว่านอกจากพระองค์นอกจากพระพุทธองค์แล้วก็คงไม่มีใครทราบพระเจ้าค่ะพระพุทธองค์เท่านั้นนะทราบที่ข้าข้าพระองค์ประพฤติอย่างนั้นทําอย่างนั้นด้วยเหตุอันใดพระเจ้าขา่า ออพอองค์ก็ไม่ได้ถามอีกต่อไปก็เลยประกาศเลยดูก่อนสงทั้งหลายที่สาลิบุตรที่ท่านนอบน้อมทิศทั้งหกนั้นเพราะว่าท่านได้ธรรมะรู้แจ้งเห็นจริงเป็นกุญแจดอกแรกที่เปิดหัวใจของท่านท่านได้สาเร็จพระโสดาบันจากท่านอัชชิ เ, เป็นสาวกปัญจวคีทั้งห้ารุ่นแรกองค์สุดท้าย ที่ท่านแสดงทำให้ท่านสรีบุตรฟังท่านได้สาเร็จแล้วท่านจึงรู้พระคุณแสดงความเคารพคารวะต่อท่านอัจารย์ตลอดอันนี้ก็ขอให้พวกเราท่านทั้งหลายฟังเอาไว้ทางนี้ทั้งนั้นไม่ให้เคารพหลวงพ่ออินไม่ใช่อย่างนั้นเราอยู่ในครูบาอาจารย์คนใดหรือโดยเฉพาะ อ, อย่างยิ่งพ่อแม่ของเรา พ่อแม่ของเราเป็นบุกคาจารในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจา้าพ่อแม่เป็นบุคคาจารย์ของบุตรทีดาเราเกิดมาเรามองเห็นหน้าพ่อหน้าแม่ก่อนแล้วจากนั้นพ่อแม่ก็สอนสอนเราเป็นคนแรกกินยังไงอยู่ยังไงออนอนยังไงห่มผ้ายังไงอาบน้ำยังไงเลียดพี่ป้าน้าอาอย่างไรพ่อแม่สอนตั้งแต่ เป็นอาจารย์คนแรกของบุท ธ, ธิดานั้นเลยว่าบุพพาจารย์เป็นบุพพาจารย์ <trabajo> เป็นอาจารย์คนแรกของบุตร ธ, ธิดาคือพ่อแม่เพราะนั้นท่านจึงให้นำลึกถึงพระคุณของพ่อของแม่พ่อแม่เลี้ยงดูเรามาแล้วเลี้ยงท่านตอบพ่อแม่เลี้ยงดูเรามาแล้วเลี้ยงท่านตอบทํากิจธุระของท่านดํารงวงศกุลประพฤติตน ให้สมควรควรรับทรัพย์หมอลระดกเมื่อท่านล่วงลับไปแล้วทำบุญอุทิศสวนกุศลให้ท่านอันนี้คือหน้าที่ของบุตรธิดาที่พวกเราได้ถือพ่อแม่ที่ท่านให้กำเนิดพวกเราเกิดมาจากพ่อจากแม่แล้วก็ท่านเลี้ยงดูเรามาท่านไม่ให้ปล่อยปละเลยนะพุทธศาสนาที่ท่านให้ระลึกถึงพระคุณของพ่อของแม่ ถึงจะังไงยังไงก็นนะั้นให้รละลึกถึงพ่อแม่แหะคือพระหรันในครอบครัวพระหันของบุตรธิดาไม่ใช่พระหันทุกคนนะพ่อแม่เป็นพระหันของบุตรธิดาให้ทุกพวกเราให้เห้าเคารพคารวะถ้าหาว่าผู้ใดไม่เคารพในบิดามารดาของตนเองผู้นั้นจะเป็นพว้ รับหายณะคือความความหายณะคือความจิบหายนั่นะน่ะพูดง่ายๆ่ยคือความไม่เจริญรุ่งเรืองในชีวิตหรือทางด้านจิตใจเพราะฉะนั้นในหลักธรรมคำสอนของพุทธะเนี่ยถึงท่านพ่อแม่หลวงรับไปแล้วก็ยังทำบุญอุทิศสวนกุศลให้ท่า น, นเมื่อท่านยังมีชีวิตอยู่เราก็ต้องดูแลเลี้ยงดูท่าน เมื่อท่านเที่ยงดูรมาเราต้องเลี้ยงท่านตอบทํากิจธุระของท่านดํารงวงสกุลประพฤตตนให้สมควรควรรับทรัพย์มรดกประพฤตตนอย่างไรที่สมควรควรรับทรัพย์มรดกทั้งที่พรหมรดกของพ่อของแม่ท่านหามาที่ไล่ที่นาที่รัว้วที่สวนกิจการงาน เ, เราไปหาเที่ยวเตรหากินเหล้าเมายา เล่นการพนงเล่นการพนันจนพ่อแม่รับไม่ได้จากนั้นอยากจะให้พ่อแม่มอบมรดกให้กับเราพ่อแม่จะมอบมรดกให้กับเราได้อย่างไรเพราะว่าถึงมอบให้พ่อแม่ยังไม่ตายมรดกหมดไปก่อนแล้วเนะี่ยพ่อแม่จะพึ่งพาอาศัยได้ยังไงท่านหามาันมาด้วยความยากลําบากนะเนี่ยแหละ คนรุ่นใหม่คนยุคสมัยนี้โดยมากมีแต่อยากจะได้รับมรดกจากพ่อจากแม่แล้มันคิดได้ยังไงลุงพ่อก็ยังคิดอีกเหมือนกันนะตามไม่จริงเรามีขาสองแขนสองสมองหนึ่งเราพร้อมที่จะกระโดดไปในทิศทางสีเสา ะ, ะแสวงหาทรัพย์คนหมัน่นขยันยอมหาทรัพย์ได้คนมีปัญญายอมหาทรัพย์ได้คนมี ความหยัความหมั่นความขยันคนมีปัญญาย่อมหาทรัพย์ได้สแสดงว่าคนที่หาทรัพย์ไม่ได้เราโง่เราขี้เกียจอย่างนั้นใช่ไหมก็ไม่น่าจะผิดเหมือนกันนะอันนี้หลวงพ่อให้แนวความคิดสาหรับลูกหลานคณะสัตธาญาติโยมนะวันนี้เป็นวันอาทิตย์ก็ให้แนวความคิดในทางพระพุทธศาสนาให้คณะสัตธาญาติโยมลูกหลาน ได้ฟังอาตา น, นี้ไปพรสสงจะอนุโมทนาให้พร